นะอารามนะทุกกไนหนึ่งรอยเจ็ดในเหตุตุปัจัยกับนะอารามานปัจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจใจกับนะอารามานปัจัยมีห้าวาระณอนันตรปัจัยกับนะอารามานปัจัยมีห้าวาระนสมานันตระปัจัยกับนะอารามานปัจัยมีหวาระ นัอัญญมัญญปัจัยกับนัอารามณปัจจัยมีหวาระนัอุปนิสัยปัจจัยกับนัอารามณปัจจัยมีห้าวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับนัอารามณปัจจัยมีหวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับนัอารามณปัจจัยมีหวาระนอาเสวนปัจจัยกับนัอารามณปัจจัยมีหวาระนักรรมปัจจัยกับนัอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปากับปัจจัยกับณอารามานปัจจัยมีหวาระณอาหารปัจจัยกับณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณอารามานปัจจัยมีหวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับณอารามานปัจจัยมีหวาระโนวิคตปัจจัยกับณอารามานปัจจัยมีห้าวาระละจตุกนัยหนึ่งร้อนาันตรปัจจัยกับณอารามานปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละโนนัตถิปัจจัยกับ ละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละณอธิปติทุกไนัยเก้ในเหตุปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระณารามณปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยมีหวาระณอนันตรปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยมีหวาระณสมาันตระปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยมีหวาระ ณอัญญมัญญะปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีหวาระณอุปนิส er ัย uh ปัจ oh. จัยกับณอธิปต <ığım cast> ิปัจจัยมีหวาระนปุเรชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีเจดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9้าวาระนกรรมปัจจัย นะ ja i i, yes ณอธิปฏิปัจจัยมีสวาระนวิปากปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระนชานปัจจัยกับณอธิปฏิป <Yes, ัจจัยมีหนึ่งวาระนมขปัจจัยกับณอธิปฏิปัจัยมีหนึ่งวาระ ณสามปยุติปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี5วาระณวิปรยุติปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสวาระณโนโนนติปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีหวาระโนวิขตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีหวาระติกรณ์หนึ่งร้ยสิบ นาอารามนาปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสมันตระปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอัญญามัญญปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอนุปนาอุปนิสัยปัจจัยกับนาอธิ ปฏิปไตยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนับปุเรชาตปัจจัยกับนัอธิปฏิปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระนัปัจฉาชาตปัจจัยกับนัอธิปฏิปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระนัอาเสวะนปัจจัยกับนัอธิปฏิปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระนักรรมปัจจัยกับนัอธิปฏิปัจจัยและนะเหตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปากับปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยกับและ right. นาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนามขาปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาสามประยุตต์ปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตต์ปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนธิปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิขตปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระเจตุกนัย1 1 1่ นันตรปัจจัยกับนัอธิปปติปัจจัยนะเหตุปัจจัยและนัอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอนันตรปัจจัยกับอธิปปติปัจจัยนะเหตุปัจจัยและนัอารามานปัจจัยโนนัธิปัจจัยโนวิคตาปจจัยกับ ณอธิปติปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีอย่างละหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยเป็นต้นหนึ่งร้กับอนันตรปัจจัยณสมนันตระปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยและณอุปนิสัยปัจจัยในมูลอปัจจัยนี้เหมือนกับณอารามณปัจจัยณปุเรชาตทุกกนัย 1. นานเหตุปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระณอารามณะปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี5วาระณอธิปฏิปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยมี7วาระณอนันตารปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีหวาระนสมานันตาระปัจจัยกับนบปุเรชาตปัจจัยมี5วาระ นอัญญมัญญะปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีหวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีหวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยมีเจวาระนอาเสวนปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนกรรมปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสมวาระ นวิปากับปัจจัยกับนาป ah ุเรชาตปัจจัยมี7วาระณอาหารปัจจัยกับนาปุเรชาแตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรีย์ปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนมักขปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมัยุทธตปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยมีหวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับนบปุเรชาตปัจจัยมีสวาระโนนติปัจจัยกับนบปุเรชาตปัจจัยมี5วาระโนวิกตปัจจัยกับนปุเ ร, รชาตปัจจัยมีหวาระติกนนรนัย1 1บสี่นัอรมณปัจจัยกับนปุเร ช, ชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอธิปปติปัจจัยกับนัป hmm. ุเรชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสองวาระนัอนันตรปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัสมนันตรัปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอัญญมัญญาปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอุปนิสยปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนอาเสวนปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนกรรมมปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปากปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาอาหารปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียาปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชาปณปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นามคคะปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระนสามปยุตต์ปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปปยุตต์ปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนติปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกขาปัจจัยกับนัปุเรชาตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ จตุกนายหนึอณอธิปติปัจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยณอนันตรปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคธาปจจัยกับนภุเรชาตปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีอย่างละหนึ่งวาระณปัจฉาชาตะและณอาเสวนทุกนาย 1นึนเหตุปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมีสองวาระนอารามนาปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมี5วาระนอธิปฏิปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมี9วาระนอนันตรปัจจัย กับนปัตชาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระนัสมนันตรปัจจัยกับนปัตชาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระนัญญมบญราปัจจัยกับนปัตชาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับนปัตฉาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระ นภุเรชาตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมีเจวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับนปฏิชาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมีสวาระนวิปากปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมี9วาระ น้อาหารปัจจัยกับน้ปัจฉาชาตปัจจัยและน้อาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระน้อินทรียปัจจัยกับน้ปัจฉาชาตปัจจัยและน้อาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระน้าชานปัจจัยกับน้ปัจฉาชาตปัจจัยและน้อาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระน้มัคคปัจจัยกับน้ปัจฉาชาตปัจจัยและน้อาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัสมประยุติปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมีหวาระนวิปปยุติปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมีสามวาระโนนติปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระโนวิขตปัจจัยกับนปัจฉาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมีหวาระ ติกกน1นึอนาอารามนปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาทิปติปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งมีสองวาระนาอันตรปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระนสมนันตรปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอัญญมัญญปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนอาเสวนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนกรรมมปัจจัยกับ นะอาเสวนะปัจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนะวิปากับปัจัยกับนาอาเสวนะปัจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนะอาหารปัจปัจกับนะอาเสวนะปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนะอินทรียปัจใยกับนะอาเสวนะปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนะชาณปัจจัยกับนะอาเสวนะปัจจัยและนเหตุปัจัยมีหนึ่งวาระ นัมมะปัจัยกับนัอเสวนปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับนัอเสวนปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปปัยุตตาปัจจัยกับนัอเสวนปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับนัอเสวนปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ โนวิคตปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกไนหนึ่งอยสิบนาอธิปติปัจจัยกับนาอาเสวนปัจใจนาเหตุปัจจัยและนาอารามนาปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในาอเน็บทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับ ละ abei, มีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละนกกรรมมะทุกกไนหนึ่งร้อยนะเหตุปัจจัยกับนกกรรมมะปัจจัยมีหนึ่งวาระนะอารามะนปัจจัยกับนกกรรมมะปัจจัยมีหนึ่งวาระนะอธิปติปัจจัยกับนกกรรมมะปัจจัยมีสาวาระนะอนันตรปัจจัยกับนกกรรมมะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นสัมานันตะปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนอัญยะมัญญะปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนอุปนิสติยปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระนปัจชาชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระ นวิปากัดปัจจัยกับนกกรรมมาปัจจัยมีสวาระณอาหารปัจจัยกับนกกรรมมาปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับนกกรมมาปัจจัยมีหนึ่งวาระนชานปัจจัยกับนกกรรมมาปัจจัยมีหนึ่งวาระนมข้าปัจจัยกับนกกรรมมาปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนกกรรมมาปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาวิปยุตตาปัจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีสวาระโนนติปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิขตาปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยมีหนึ่งวาระติกนัย120ณอารัมมะนัจจัยกับนกกรรมมปัจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับนกกรรมมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ ในมุงเรบทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับนกกรรมมะปัจจัยและน่เหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกตะปัจจัยกับนกกรรมมะปัจจัยและนเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระละนวิปากับทุกกไณนึ่งร้อยนเหตุุกปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสองวาระนอารามะนปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี5วาระ ณอธิปฏิปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี๙วาระณอนันตรปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี๕วาระณสมนันตรปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี๕วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี๕วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี๕วาระณปุเรชาตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี๗วาระ นปัจฉาชาตาปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี9วาระนอาเสวนปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี9วาระนกรรมมปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี3วาระนอาหารปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินตรียปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัมขปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี5วาระนวิปปยุตตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสวาระโนนัตติปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี5วาระโนวิขตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีหวาระติกาไนหนึยยี่ส นาอารามะนปัจจัยกับนาวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยกับนาวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระนาอนันตรปัจจัยกับนาวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสมนันตระปัจจัยกับนาวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาอัญญามัญญะปัจจ sí ัยกับนาวิปากับปัจจัยและนะเหตุตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับนาวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับนาวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับนาวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระ นาอาเสวนปัจจัยกับนาวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนากรรมมปัจจัยกับนาวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาหารปัจจัยกับนาวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียปัจจัยกับนาวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับนาวิปากับปัจจัยและนาเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัมมกขปัจจัยกับนวิปปาขปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับนวิปปาขปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับนวิปปาขปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับนวิปปาขปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี1วาระโนวิขตปัจจัยกับนวิปปาขปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี1วาระ จตุกกะนหนึ่งยยี่ในณอธิปติปัจจัยกับณวิปากาปจจัยณเหตุุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระในเรทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละทุกกนัย มีนอาหารปัจจัยเป็นต้น12ึ่นเหตุปัจจัยกับนอาหารปัจจัยละนอินทรีย่ะอินทรีย์ปัจจัยละน่ชานปัจจัยละนมรคปัจจัยมีหนึ่งวาระในมุเรบทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละนสัมปยุติทุกกรณ์ หนึยยนเหตุตปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอารามานปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระในมุเรปัจจัยนี้เหมือนกับนอารามานปัจจัยโนวิคตปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตทุกไนหนึยยีนเหตุตุปปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระ นอารามณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสวาระนอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนสมานันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญะปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาปุเรชาตปัจจัยกับนวิปยุตปัจจัยมีสาวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปยุตปัจจัยมีสาวาระณอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตปัจจัยมีสาวาระนกรรมมปัจจัยกับนวิปยุตปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับนวิปยุตปัจจัยมีสาวาระณอาหารปัจจัยกับนวิปยุตปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาอินท e. ร lands, ียปัจจัยกับนาวิปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสามปยุปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิขตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระ ติกรณนึอยยี่สอารมณปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระณอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนสมนันตระปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาอัญญามัญญะปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอุปน e ิสตยปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุตุปปัจจัยมีสองวาระ นาอาเสวนปัจจัยกับนาวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนากรรมมปัจจัยกับนาวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปากปัจจัยกับนาวิปยุตตาปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาอาหารปัจจัยกับนาวิปยุตตาปัจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียปัจจัยกับนา วิปปยุตตาปัจจัยและนเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยกับนวิปปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะขปัจจัยกับนวิปปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสามปยุตตาปัจจัยกับนวิปปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับนวิปปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิกตปัจจ e ัยกับนวิปยุตตาปัจ <pi> ัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกไนันึ่งรอยยี่สณอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจใจนะเหตุปัจจัยและวนะอารัมณปัจจัยมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเวเลทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ โนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละโนนัตติและโนวิคตาทุกขนัย129นั่เหตุปัจจัยกับโนนัตติปัจจัยและโนวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอารามณปัจจัยกับโนนัตติปัจจัยและโนวิคตาปัจจัยมี5วาระนัอธิปติปัจจัยกับโนนัตติปัจจัยและโนวิคตาปัจจัยมี5วาระ นอนันตรปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหวาระนสมนันตรปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหวาระนอุปนิสตยปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหวาระ นัป anyway, ุเรชาตปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี5วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี5วาระณอาเสวนปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมี5วาระนกกรรมปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปากับปัจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตะปัจจัยมี5วาระนาอาหารปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตะปัจจัยมี1วาระนาอินทรียปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตะปัจจัยมี1วาระนาฌาณปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิกตะปัจจัยมี1วาระ นามคคะปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตะปัจจัยมี1วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตะปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตาปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตะปัจจัยมี1วาระโนนัตถิปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตะปัจจัยมี5วาระติกรนัย1ามสิ นาอารามนาปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในมุงเรบทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับโนวิคตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละปัจจญิกะ Go.